158ทิศที่หิคือโลกปัจจุบันนี้ที่มีครบฝันสามดังนั้นคนที่เป็นอาจารย์ทั้งหลายจึงคือคนที่ไม่มีจารณะสมบัติไม่มีวิชาสมบัติแต่หลงกันแล้วก็แ้งยกยอกันว่าเป็นอาจารย์ทั้งนั้นแล้วบำเรอกันอยู่เต็มสังคมเมืองสังคมป่า อาจารย์อย่างนี้แหละของชาวพุทธที่ชาวพุทธส่วนใหญ่ของไทยหลงเชื่อกันว่าคืออาจารย์คือเกจิอาจารย์ที่บรรลุจรณะสมบัติวิชาสมบัติอยู่ในป่าแล้วออกมาเป็นพระกรรมฐานเป็นพระธุดงค์ผู้บรรลุธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าสมัยนี้ในเมืองไทยนี่เอง หรือถ้าไม่ออกไปอยู่ป่าเป็นพระป่าบรรลุกันในป่าก็เป็นพระบ้านที่สร้างเรือนไฟใช้ไฟเป็นสื่อเท่ากับลัทธิมีอัคียานและน้ำมนใช้น้ำเป็นสือ่อเท่ากับลัทธิสินจนัญญาเต็มไปด้วยมนคาถาตัวแต่มนเป็นพร อ, อันยิ่งใหญ่เป็นศาสนาทางเทวนิยม จมอยู่ในอดีตและอนาคตงมงายอยู่ในฝันที่ไม่เป็นความจริงในปัจจุบันนี้แล้วปรุงแต่งเดรัจฉานวิชาเดรัจฉานกถาสร้างนิยายลึกลับน่าทึ่งมหาศิจันมีอภินิหารลึกลับซับซ้อนซ่อนเชิงหลอกกันมีปาฏิหาริย์สารพัดศักดิ์สิทธิ์แสนอัศจรรย์ น, นี้หนึ่ง และอยู่ในเมืองนั่นแหละแต่สร้างสรรหรือออกแบบศาสนาให้ชี้ชวนไปในทางเจริญด้วยโลกธรมรมร่ำรวยแบบทุนนิยมสุขนิยมและนิยมอื่นๆต่างๆประดามีในสังคมยุคนี้และอื่นๆดังที่ได้กล่าวมาพอสมควรที่ผ่านมานั้นนั่นคือที่ที62 เป็นความรู้ของปุถุชนทั้งหลายที่แพร่เดรัจฉานวิชาวิชาที่ไม่พาไปนิพพานและเดรัจฉานคถาคำพูดคำสอนที่ไม่พาไปนิพพานเข้าใจดีกันได้ตามปราษาปุถุชนด้วยกันต่างก็แจ่มแจ้งก็ศรัทธาเลื่อมใสกันได้ดีเพราะตื้นตื้นเข้าใจได้ง่ายๆรถนิยมเดียวกัน ลัทธิศาสนาพื้นพื้นง่ายๆอย่างนี้มีการด่าอื่นเป็นธรรมดาอยู่ในสังคมในโลกตลอดกาลและนานไม่ใช่เรื่องแปลกเป็นสากลปัจจุบันเพราะคนเห็นง่ายๆเข้าใจได้ง่ายๆสอดคล้องกับรถนิยมที่เป็นโรกียรมทั้งการมาุณหโลกธรรมแปด อรูปธรรมสครบบริบูรณ์ประดามีในโลกในอัตตาท่วนแท้อย่างที่มีของจิงอยู่เต็มโลกที่เรียนรู้การมิจฉาทิฐิไปเท่านั้นจึงไม่พากันบรรลุพุทธธรรมได้เพราะจมอยู่ในฝันสามได้แก่ฝันอยู่ในวงจรของโลกอดีตฝันอยู่ในวงจรของโลกอนาคต ฝันอยู่ในวงจรของโลกปัจจุบัน